เพียงแต่ไม่ทำความชั่วอยู่เฉยๆก็เป็นความดีเสีแล้วอย่างที่นี้ฝ่ายมิจฉาสังกับเป็นพยาบาสังกับฝ่ายสัมมาสังกับแทนที่จะเป็นเมตตากลับเป็นเพียงอภยบาสังกับคือปฏิเสธฝ่ายมิจฉาเท่านั้นความเข้าใจเช่นนี้ผิดพลาดอย่างไรจะได้ชี้แจงต่อไปตามโอกาสแต่เฉพาะเรื่องนี้ จะชี้แจงเหตุผลตอบโต้ความเข้าใจผิดแต่เพียงสั้นๆสามข้อก่อนคือหนึ่งมาร์คเป็นหลักปฏิบัติที่มุ่งคุณค่าทางปัญญาเป็นสำคัญจุดหมายของมาร์คคือการรู้แจ้งสัจธรรมไม่ใช่มุ่งเพียงคุณค่าทางจริยธรรมขั้นศีลหรือที่เรียกกันว่าศิลธรรมเท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งพึงระลึกไว้ว่าสัมมาสังกัปปะ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 จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงไม่บิดเบือนโดยในยะนี้การใช้คำปฏิเสธว่าสัมมาสังกัปปะคือความคิดปลอดโลกไม่มีพยาบาทไม่มีวิหิงสาจึงนับว่าเป็นการเหมาะสมดีที่สุดแล้วหมายความว่าเมื่อจะคิดจะพิจารณาอะไรก็ไม่คิดเอาเข้าตัว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 ว่าสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่สิ่งนั้นรวมทั้งสิ่งที่ตรงข้ามทั้งหมดดังเช่นคำว่าอากุศลมิได้หมายถึงมิใช่กุศลซึ่งเป็นอัพยกฤษตหรือเป็นกลางกลางไม่ใช่ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วแต่หมายถึงความชั่วที่ตรงข้ามกับกุศลเลยทีเดียวคำว่าอามิตรมิได้หมายถึงคนที่เป็นกลางกางไม่ใช่มิตร แต่หมายถึงศัตรูเลยทีเดียวดังนี้เป็นต้นในสัมมาสังกัป่านี้อมีความหมายปฏิเสธแบบครอบคลุมคือทั้งที่ตรงข้ามและที่ไม่ใช่เจนอภยาบาสังกับย่อมหมายถึงเมตตาที่ตรงข้ามกับพยาบาทด้วยและความดําริที่บริสุทธิ์ปลอดโปรง่งปราศจากพยาบาทเป็นกลางๆด้วย ธรรมะฝ่ายดีเช่นเมตตาเป็นต้นจึงรวมอยู่ในองค์มรรคข้อนี้ด้วยแล้วสการใช้คำที่มีอะปฏิเสธนี้นอกจากมีความหมายกว้างแล้วยังมีความหมายหนักแน่นเด็ดขาดยิ่งกว่าคำตรงข้ามเสียอีกเพราะการใช้คำปฏิเสธในที่นี้มุ่งเจาะจงปฏิเสธสิ่งนั้น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 ของผู้สั่งสอนมิใช่ตามสภาวะของธรรมะจึงมีขอบเขตตามบัญญัตสิสำหรับใช้แก่กลุ่มหรือหมู่ชนพวกหนึ่งหรือสัตว์โลกชนิดหรือประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วแต่ตกลงกำหนดเอาเ<ส>ท่าที่กล่าวมานี้อาสรุปว่าตามปกติมนุษย์ปุถุชนเมื่อจะคิดอะไร ก็ยอมคิดเพื่อสนองตัญหาในรูปใดรูปหนึ่งถ้าไม่คิดตามแนวทิศทิเช่นคานิยมเป็นต้นซึ่งตัญหาอาศัยอวิชชาปรุงแต่งไว้ก่อนแล้วก็จะคิดไปตามอำนาจของตัญหาสดในเวลานั้นๆซึ่งอาจเป็นไปโดยอาการของความอยากที่ยังเรียกว่าเป็นตัญหาโดยตรงบ้างโดยการถือตัวเชิดชูระหว่างฐานะของตัวตนที่เรียกว่ามานะบ้าง ตลอดจนความยึดถือที่จับตัวเป็นทิฏฐิท่านจึงเรียกความคิดของปุตุชนเช่นนี้ว่าประกอบด้วยอาหางการมามังการและมานานุสัยหรือเรียกสั้นๆว่ามีตัณหามานะและทิฏฐิเป็นตัวสารและชักยายอยู่ความคิดของปุตุชนนั้นจึงอาจเรียกได้ว่าเป็นบริการของจิตที่รับใช้ตัณหา ลักษณะของการคิดเพื่อสนองตัญหานั้นเป็นไปได้ทั้งในทางบวกและทางลบด้านบวกออกมาในรูปของการมาสังกับคือคิดเอาคิดปลนเปลอาบำเรอตนด้านลบออกมาในรูปของพยาบาสังกับคือคิดขัดคิดแย่ร้า ย, ายคิดเป็นปฏิปักษ์เห็นเขาเป็นศัตรูกลัวเขาจะมาแย่งมาขัดคิดกระทบกระทั่งไม่พอใจเกลียดชัง และวิหิงสาสังกับคือคิดรุกรานคิดทำลายคิดไล่ล่าขมเหงอย่างไรก็ตามความคิดสนองตัญหานั้นอาจถูกหักล้างด้วยโยนิโสมนัสิการที่มองดูตามสภาวะความคิดที่ประกอบกับโยนิโสมนัสิการเช่นนี้ไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีวิหิงสาจึงบริสุทธ์ตรงความจริง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 ด้านหนึ่งความคิดสนองตันหานั้นอาจถูกหักล้างด้วยโยนิโสมนัสิการแบบปลุกเร้ากุศลธรรมความคิดที่ประกอบด้วยโยนิโสมนัสิการแบบนี้เป็นความคิดแบบตรงข้ามกับการพยาบาทและวิหิงสาคือคิดสละมีเมตตามีกรุณาเป็นการสร้างเสริมกุศลธรรมจำพาะอย่างสัมมาสังกัปปะแง่นี้ แม้จะเกือ้อกูลแก่สมาธิิแต่เป็นแง่ที่สัมพันธ์กับศีลโดยตรงคือนำไปสู่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะในที่นี้ท่านเขียนเป็นแผนภาพไว้นะครับซึ่งตรงกับเนื้อหาที่กล่าวมาข้างตน้นขอสรุปให้ฟังอีกครั้งดังนี้สัมมาสังกัปปะคือในคำสมาสังกัป พยาบาทสังกับวิหิงสาสังกับแต่ละอย่างนั้นนําไปสู่โยนิโสมนสิการตามสภาวะและโยนิโสมนสิการแบบเรากุสนโยนิโสมนสิการตามสภาวะคือไร้กามไร้พยาบาทไร้วิหิงสานําไปสู่สัมมาทิฏฐิและโยนิโสมนสิการแบบเรากุศลคือเสศละเมตตา กรุณานำไปสู่สัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะพึงทราบว่าการแบ่งเช่นนี้มีใ่เป็นการแยกขาดจากการสิ้นเชิงแต่เป็นการแบ่งเพอให้เห็นผลที่เด่นในแต่ละด้านเท่านั้นนอกจากนี้ขอเสนอภาพความสัมพันธ์ระหว่างสัมมาสังกัปปะ กับองค์มรรคหมวดศีลข้อสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะที่เป็นแนวประยุกต์แสดงออกในหลักพรมวิหารกับสังหะวัตถุดังนี้ในที่นี้ก็เป็นแผนภาพเช่นเดียวกันนะครับก็ อ, อ่านสรุปให้ฟังดังนี้สัมมาสังกัปปะแยกออกเป็นเนคขมะอภยาบาตอวิหิงสา ในที่นี้ท่านเขียนเส้นโยงไปหาแต่ละคำไว้ตามลำดับนะครับเนคขมะอุเบคาสมานัตตาสมากัมมันตาสำหรับอุเบคาจัดเป็นเนคขมะตามหลักว่าอุเบคาเจโตวิมุตติเป็นนิสรณะของราคา อภยาบาตรแยกออกเป็นสองสายคือเมตตาและมุทิตาและทั้งสองสายนั้นไปสู่ทานปิยาวาจาอัตจริยาซึ่งทานกับอัตจริยาเป็นสัมมากรรมตะสส่วนปิยาวาจาเป็นสัมมาวาจาอาวิหิงสา แยกเป็นสองสายคือกรุณาและมูทิตาไปสู่ทานปียาวาจาอัตถาจริยาโดยที่ทานกับอัตตาจริยาเป็นสัมมากมรมันต์ส่วนปียาวาจาเป็นสัมมาวาจาอัตถาจริยาคือการประพฤติประโยชน์ หรือควรขวายช่วยเหลือกิจการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมสมานัตตาความมีตนเสมอคือทำตนเสมอด้วยปลายปฏิบัติสม่ำเสมอกันในชนทั้งหลายและเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไขตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะภาวะบุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณีความมีตนเสมอคำแปลนี้ถือตามที่แปลกันมาเดิมแต่ตามคำอธิบายในคำพีน่าจะแปลว่าความมีตนร่วมโดยเฉพาะมุ่งเอาร่วมสุขร่วมทุก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 ก็ไม่ใช่จะสมบูรณ์ตามขอบเขตความหมายของธรรมะข้อนั้นๆทันทีแต่ต้องคลี่คลายเจริญขึ้นตามลำดับดังนั้นในที่นี้จึงควรทำความเข้าใจว่าในสัมมาสังกปะสามข้อนั้นในคมมาสังกับบางทีก็หมายเอาเพียงขั้นหยาบในรูปสั ญ, ญลักษณ์คือการออกบวชหรือปลีกตัวออกไปจากความเป็นอยู่ของผู้ครองเรือนอภยบาสังกับ กมุงเอาการเจริญเมตตาเป็นหลักและอวิหิงสาสังกับกมุงเอาการเจริญกรุณาเป็นสาคัญปัญญาที่เจริญในขั้นนี้แม้จะเป็นสัมมาทิฏฐิมองเห็นตามความเป็นจริงแต่ก็ยังไม่บริสุทธิ์เป็นอิสระรู้แจ้งเห็นแจ้งเต็มที่จนกว่าจะถึงขั้นมีอุเบกขาซึ่งอาศัยสมาธิเป็นบาทฐาน